ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจฟุ้งซ่านไปทางอื่นเรามาประชุมกันในส า, ร, า, า ร, ระการเรียนนี้ก็มุ่งหวังว่าจะมาอบรมจิตนี้แหละ ให้เข้าถึงความสงบเมื่อจุดประสงค์มีอย่างนั้นก็ให้พึ่งน้อมใจลงสู่ความสงบจริงๆอย่าคิดสงสายไปทางอื่นมันผิดความประสงค์ทำอะไรก็ต้องใช้อธิษฐานบารมีขึ้นก่อน อธิฐานะบา ร, รมีนี่หมยเอาความตั้งใจความตั้ง อ, อกตั้งใจทำในสิ่งที่ตนได้กำหนดไว้ว่าจะทำเมื่อตนกำหนดว่าจะทำสิ่งใดแล้วก็ตั้งใจมั่นลงไปในสิ่งนั้น ไม่ท้อไม่ถอยอันเนี้ยธ่านเียว่าอธิฐานะบารมีกับสัจจบารมีนั้นคล้ายๆกันแหละแต่ว่าอธิฐานะบารมีนี่เป็นการอธิษฐานถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่ตนทำมาแต่ก่อนเป็นอารมณ์ เพื่อให้ใจมันมั่นเข้าส่วนชัดจักบรมีนั้นเป็นการขีดเส้นลงไปว่าเราจักทำอย่างนั้นจริงจักไม่ท้อถอยถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆ่ะเพื่อนเสียเธอมีเหตุอันไดอันหนึ่ง มันจำเป็นจริงๆก็จึงค่อยละความสัตว์นั้นถ้าหากว่าไม่มีเหตุจริงๆแล้วก็ไม่ละอ น, นี่เป็นความเป็นอุบายสำหรับอบรมใจให้มันตั้งมั่นลงไปใหนพึ่งพากันเข้าใจใจนี้ถ้าไม่มีอุบายธรรมะ บารมีเหล่านี้เข้าช่วยแล้วมันจะไม่ยอมตั้งมั่นเลยมันจะคิดสายไปในอารมณ์ที่มันชอบใจที่มันยึดถือเอาไว้ตั้งแต่อดีตล่วงมาแล้วเน่งนั้นพึงพากันเข้าใจเข้าใจอุบายวิธีฝึกจิตนี้ ถ้าเราไม่รู้จุดมุ่งหมายเราไม่รู้เหตุผลก่อนการภาวนามันก็ไม่เอาจริงเอาจังการที่บุคคลจะเอาจริงเอาจังเรื่องภาวนาก็พรามามองเห็นว่าบรรดากิเลสททเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นจากกิดตรงนี้ เมื่อจิตดวงนี้ไม่รู้ไม่ฉลาดแล้วมันก็สร้างเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนของตนอยู่ร่ำไปอไอ้ความทุกข์มันมาจากเหตุอันเหตุนั้นมันก็มาจากจิตนี่นะสาวให้พบเส็นความโลภความโกรธความหลงต่างๆหมดเนี่ย มันเกิดมาจากกิจนี้ทั้งนั้นเลยกิจเป็นผู้สร้างขึ้นความโลคโกรธหลงเนี่ยเป็นอกุศลมูลเป็นมูลเหตุที่ให้คนเราทําบาปให้พึงเข้าใจดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ละเ่ยถ้าหากว่ามันไม่ไม่เป็นเีตได้เกิดทุกข์แล้วถ้าองค์ไม่ได้สอนให้ละหรอก มันเป็นเหตุให้ได้ทำบาปถ้าหากว่ามันไม่เป็นเหตุให้ได้ทำบาปพระศาสดาก็ไม่สอนให้ละให้คิดอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์นั้นมีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งทรงพระประสงค์อยากจะให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์ภัย ในวัตตะสงสารอันนี้เหตุนั้นก็จึงได้แนะนำให้ละกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมต่างๆให้ห่างออกไปจากกิจใจ <c oughs> กิเลสสามกองนี้มันเมื่อบุคคลมีความเพียรละมันไปมันก็ไม่ขาดทีเดียวหรอก แต่ว่ามันก็ค่อยเบาบางไปเบาบางจากกิเลสอย่างหยาบหยาบมันก็มายังเหลืออยู่กิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางนี้มันก็เนื่องมาแต่ความโลภความโกรธความหลงนั่นเองแต่เพียงว่ามันละเอียดเข้ากว่าเดิมเท่านั้นแหละ เช่นอย่างความโลภในขั้นหยาบๆนั่นนะเมื่อมันอยากได้อะไรมาแล้วมันอยากเอาอย่างรุนแรงจริงๆจนว่าไอของตนที่มีอยู่แล้วนี่ก็ไม่พอ อ, อกไม่พอใจไม่เต็มความอยากแม้ว่าตนจะมีอยู่เท่าไหร่ก็ยังไม่เต็มกับความอยาก เมื่อไปเห็นของผู้อื่นหลายขัวตนก็คิดอยากได้อย่างรุนแรงเป็นเหตุให้ได้ไปทำเบียดเบียนเอาทรัพย์สมบัติฟืน่าเป็นของตอน <c oughs> อันนี้นะลักษณะของความโลภในเพึ่งเข้าใจน่นแหละพงอขเจ้าจะงามันเป็นเหตุให้ทำบาปนั่นแหลม ความโกรธก็เหมือนกันนะอาสัยเหตุแหละที่คนเรามันจะโกรธนั้นถ้าไม่มีเหตุอันใดหนึ่งก่อนมันไม่โกรธเลื่องมันนะเช่นอย่างว่าใครมาด่าว่าติเตียนก็ดีหรือว่าใช่ใครปเปล่าอะไรมาให้แล้ว เขาไม่เขาออกมาให้ไม่ได้สมหวังมูนี่มันก็โกรธทั้งนั้นแหละนี่ถือว่าตอนมีอำนาจเหนือคนนั้นอยากจะว่าอะไรก็ว่าไปอยากจะโกรธก็โกรธไปนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิ ด, กดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมา ประหัดประหารซึ่งกันและกันอเนี่ยมูลเหตุเหตุที่จะให้เคยความโกรธอ่ะพูดง่ายๆว่าทําอะไรพูดอะไรไปแล้วมันผิดหวังอะ่ะมันมีแต่โกรธคนไม่เห็นโทษอย่งความโกรธนะมันเป็นอย่างนั้นแหะเพราะฉะนั้นทางที่ระงับความโกรธนี่ นอกจากละนอกจากเจริญเมตตากรุณาแล้วก็ยังต้องสอนใจให้มันละความผิดหวังนั่นอีกทําอะไรไปพูดอะไรไปถ้ามันผิดหวังไม่เป็นไปตามที่ตนตั้งใจไว้แล้วก็ช่างมันสละมันไปไม่ต้องไปโกรธ ใ, ใคร เพราะว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงเดียวทาอะไรจะให้มันได้สมหวังทุกอย่างจะได้มาแต่ไหนเมื่อผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่โกรธแล้วมันก็งดความโกรธมันก็สละความโกรธนั้นใดเพราะว่าสละมูลเหตุของมันได้นี่แล้ยวกับอีกอย่างหนึ่งก็จเจริญเมตตากรุณา ประกอบเข้าไปด้วยหลายแรงช่วยกันมันก็เป็นเนี่ยได้ความโกรดธดมันระงับลงความโกรธระงับลงมันมาถึงขั้นแบบว่ายินร้ายนี่ยินร้ายนี่หมายถึงว่าเพียงแต่นึกคิดอยู่ในใจ ไม่พอใจอะไรกับใครหรือสิ่งใดก็คิดคุ้นอยู่ในใ จ, จเฉยไม่ถึงกับแสดงออกทางปากไม่ไม่ถึงกับแสดงออกทางกายเช่นทุบตีหรือว่าด่าว่าเสียดสีต่างๆนานาเหมือนี้นะอันนี้ท่านเรียกว่ากิเลสอย่างกลางเนะ หรือว่าความโกรธอย่างกลางก็ว่าได้วันนี้ความหลงเนี่ยมันก็ละมาเป็นขั้นขั้นอย่างว่านั่นเนี่ยเมื่อเมื่อละความโลภโกรธหลงอย่างหยาบออกไปแล้วมันก็ยังเหลืออยู่ความหลงอย่างอย่างกลางนะอืม ความหลงอย่างกลางนี่คณะมาสำคัญไม่ใช่น้อยอเช่นความสุขความติดในความสุขชั่วคราวดังทีเคค่เคยพูดมาบ่อยๆเรานีนนะ่อย่างนี้มันก็เป็นความหลงอย่างกลางเลยเพราะว่าคการติดความสุขชั่วคราวนั้นมันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปแต่มันเป็นกิเลส คือมันทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวมันทำให้ตัดกำลังปัญญามันทำให้บุญกุศลไม่เจริญงอกงามขึ้นเท่าที่ควรบุญกุศลตนทำมาได้เท่าไหร่ก็อยู่อย่างนั้นแหละ มันไม่เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะว่าความหลงเนี่ยเมื่อครอบงมเอามันทำให้เกิดความย่นย่อท้อถอยต่อการกระทำความดีเมื่อมองหาผลแห่งความดีไม่เห็นแล้วอย่างนี้นะมันก็ท้อใจ กะทั้งนี่ก็เพราะว่ามันหลงนั่นเองแหละจิตใจนั่นะมันมืดมนอนทาการมองดูบาบุญคุณทอดทั้งหลายไม่เห็นเลยเง่ทำให้ใจไม่เบิกบานต่อบุญต่อกุศลได้ทำให้ท้อแท้ใจอันนี้ท่านจะดูเป็นความหลงอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากัน ละกิเลสอย่างกลางนี้ออกไปจากกิจใจอย่าอย่าไปเก็บมันไว้อย่าไปยึดถือเอามันไว้ถ้าขืนยึดถือเอาไว้เมื่อมันจเจริญมากขึ้นกว่านี้มันก็กลายเป็นกิเลสอย่างหยาบเข้าเหมือนอย่างไฟนั่นแหละแม้จะมีแสงนิดนิดหน่อย แต่ถ้ามีเชื้อมาใส่เข้าไปแล้วก็มันลุกโพล่ขึ้นเป็นแสงใหญ่มีความร้อนมากเผาไม่บ้านเรือนให้พินาศจิหายไปอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกิเลสนี่เมื่อถึงแม้มันจะมีปริมาณน้อยคนตามอยู่ในใจแต่ถ้าเ่าบุคคลไม่เพียรลากมันแล้ว หน่อยมันก็เจริญขึ้นจเจริญขึ้นมันก็มากขึ้นมากขึ้นนะเป็นเดตรในบุคคลทำบาปด้วยกายวาจาใจได้อีกแล้วเป็นอางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึางได้ทรงสอนให้ภาวนาสมาธินั่นเนี่ยก <c oughs> ็เพื่อระงับกิเรย์อย่างกลางเนี่ยให้ออกไปจากกิตใจ เพื่อมันไม่เพื่อไม่ให้มันมีเชื้อพูงง่ายๆมันเถอะถ้าว่าเรายังหล่อเลี้ยงเชื้อกิเลสนี่ไว้อยู่ตราบใดแล้วก็บาปอคุโสทั้งสามมันก็ไม่ระงับดับไปจากกิเใจเลยเพราะว่าเชื้อของมันมีอยู่แม้บุคคลละ ก, กิเลสอย่างกลางได้แล้วมันก็ยังกิเลสอย่างละเอียด อ, อันกินเลสอย่างละเอียดนี่มันก็ไม่ถึงกับว่าจะให้ทำบาปกรรมคมชั่วหรอกแต่มันจะพาให้ไปเกิดพบน้อยพบใหญ่ต่อไปอ่าเนี่ยมันเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นแหละกิเลสอย่างละเอียดมันก็พาให้ท่องเที่ยวไปหาที่เกิดใหม่ต่อไป เมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องมาแก่เจ็บตายอีกก็ไม่พ้นทุกข์อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้างและอยา น, านจะทันรัความโลภโกรธหลงอย่างหยาบนั้นได้ก็ไม่นิ่งนอนใจก็มาเพียนพยายามละความโลภโกรธหลงอย่างกลางให้ระงับดับไป แล้วก็ยังไม่พอใจยังไม่จุใจจะมาเพียรพยายามล่ ก, กิเลสอย่างละเอียดเข้าไปอีกกิเลสอย่างละเอียดนี้น้ป่าละเอียดมากจริงนะ <c oughs> เหมือนกับเชื้อโรคในกายของคนเรานี่เราจะมองดูด้วยตาหนังนี่ไม่เห็นเลยฉะนั้นที่จะเห็นได้เขา ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์มาส่องดูตัวเชื้อโรคในกายของคนเราเนี่ยจึงสามารถมองเห็นได้เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์นขยายให้ขยายจากส่วนเล็กๆให้เป็นส่วนใหญ่ได้ตัวโรคไฟแค่เจ็บส่วนเล็กแต่เมื่อ กล้องมันทำหน้าที่ขยายออกแล้วปรากฏว่าเป็นตัวใหญ่หน่ากลัวอยู่ในร่างกายอันเนี้ยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยไอนน้กล้องส่องภายนอกกล้องส่องเหล่านั้นมันก็ส่องได้แต่ภายนอกหรือว่าส่องดูได้แต่ร่างกายนี้เท่านั้นเนี่ยแต่มันจส่องดูจิตใจของคนเราเมันไม่ได้ ท่านต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องส่องมันจึงมองเห็นได้กิเลสอันละเอียดสุขุมเนี่ยท่านที่เรียกว่าอนุสัยนะกามาสะวะภวาสะวะอวิชชาสะวะนี่อาสะวะคือกามอาสะวะคือพบอาสะวะคืออวิชชาก็ไม่รู้ มนเนี่ยท่านเนว่าอนุยัยคือมันเป็นกิเลสอย่างละเอียดนอนนิ่งอยู่ในจิตใจนูน่นคล้ายๆกับ ว, ว่ามันไม่มีเลยอะเช่นอย่างความยินดีพอใจในกรมมาคุณทั้งห้าอย่างนี้นะเพ่งดูแลไม่มีเลยในจิตใจนั่นน่ะนะถ้าปัญญาไม่ละเอียดจริงๆก็มองไม่เห็นเลย แม้ความโกรธความหงุดหงิดใจก็เหมือนกันนะมันเป็นในเพียงแค่ห ง, งุดหงิดเท่านั้นแหละเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วความโกรธเนี่ยมันไม่ถึงกับว่าจะไปแสดงออกมาทางกายทางวาจามีแต่ความหงุดหงิดอยู่ในใจเท่านั้นเองบุคคลก็ไม่ใส่ใจหรอก เมื่อมันเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาไม่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแล้วไม่กำหนดละมันน่ะนี่แหละนานเข้ามันก็กลายเป็นความโกรธอย่างรุนแรงขึ้นมาให้พึ่งเข้าใจพอรู้สึกว่าจิตของตอนหงุดห ง, ง, งิดขึ้นมาก็ให้ตื่นตัวอันทีแหละให้เห็นว่านี่แหละเชื้อสายขอยงความโกรธ รีบกำหนดละมันเลยมแม้ความไม่รู้ก็เหมือนกันนะหรือว่าพบชาติของคนเราก็เหมือนกันนะพบนี่หมายถึงว่าถ้าถ้าพบในปัจจุบันนี้นะ คือหมายถึงจิตใจที่มันเข้าไปสงบนิ่งอยู่มันไม่ได้ค้นคว้าเหตุปัจจัยแห่งชีวิตเลยมันไปสงบนิ่งอยู่ด้วยอำนาจแห่งสมาธิอย่างนี้นะอันนี้ก็เรียกว่ามันไปเข้าไปสงบอยู่ในพบเดิมของมันถ้าหาว่าบุคคลไม่เจริญวิปัสนาปัญญาไม่ค้นดูเหตุปัจจัยแห่งความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ให้พบแล้ว นี่ะจิตตรงนี้เมื่อตายลงมันก็ไปไปเกิดในภพใดภพหนึ่งอีกในสามภพนั่นนะการมาภพรูปภพอรูปภพเนี่ยแต่ส่วนมากผู้ผู้ได้เจริญสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพตามแต่ สมาธิหรือฌานที่ได้บรรลุนั้น อ, อย่างนี้แหละนผู้ไปเกิดในสวรรค์นี่ส่วนมากก็ได้แก่เพียงเป็นผู้มีศรัท ธ, ธาเลื่อมใสแสดงกล้าในบุญในคุณมีที่โอสธรรมไม่ระวังกายวาจาไม่ทำบาปเนือ้อผู้นั้นมีใจเลื่อมใส ยินดีอยู่ในบุญในคุณอันเนี้ยเพียงเท่านี้ก็ไปสวรรค์ได้แล้วเพราะฉะนั้นแหละ <c oughs> ทุกคนควรพากันพิจารณาดูตนของตนให้ได้ว่ากิเลสภายในจิตใจของตนเนี่ยตนได้ละให้เบาบางออกไปอะไรบ้าง นี่ต้องมองดูจิตใจของตัวเองให้พบตนตนได้ละกิเลสอย่างหยาบหยาบนั้นออกมาแล้วหรื อ, อยังอ่ะ หลือว่ายังไม่ได้ละให้เบาบางเลยเ อ, อย่างนี้นะควรพากันพี่านาดูให้ดีถ้าว่าเราไม่ได้เพ่งพี่านาดูเรามันก็รู้ไม่ค่อยได้เพราะนั้นต้องอาศัยสมาธิอาศัยปัญญานี่แหละสอดส่องมองดูสังเกตดู แต่กิเลอยังหยาบนั่นก็คงจะเข้าใจกันได้ง่ายดังที่อธิบายให้ฟังมานั่นนะแต่พูดถึงความหลงมันก็ <c oughs> พูดถึงความหลงมันก็หลงเข้าใจผิดคิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีโลกหน้าไม่มีผู <c oughs> ้ปฏิบัต ตามศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามักคีโยงแปดนี้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ผู้ใดมีความเห็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้หลงมากความหลงของผู้นั้นหนา <c oughs> เป็นกิเลสชนิดนาะเนี่ยถ้าหากว่าละความเห็นอย่างว่านี้ได้ ก็เป็นนั้นว่าเป็นอันว่าละความหลงอย่างหยาบได้แล้วมันก็มาหลงอยู่อย่างกลางเช่นเช <c oughs> ่นหลงว่า <c oughs> ความรักความชังที่เพียงแต่คิดอยู่ในใจเท่านี้มันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรหรือ ว, ว่าความโหดหูท้อถอยหอ <c oughs> มว่างเหงาห้านอนต่างๆหมดนี่นะ <c oughs> ความคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่งตางๆหมดเนี่ยความสงสัยลังเลความสงสัยลังเลในใจหมดเนี่ยไม่คิดว่าเป็นบาปอากุศลไม่คิดว่าเป็นกิเลสเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความลีทางัางได้มเมื่อคิดว่ามันไม่เป็นภัยต่อตัวเองแล้ว มันก็ไม่เพียนละเรื่องเหมืนอน่ ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราต้องพากันไขขวรพิจารณาให้ดีความจริงก่เลสอนนี้มันเป็นภัยต่อชีวิตจิตใจจริงๆมันทำให้ใจนั้นไม่สามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญ งอกงามขึ้นได้เลย e uh <huh> เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจดังกล่าวมาแล้วนั่นนะที่นี่บาปนี่มันเกิดขึ้นจา ก, กจิตใจที่คิดพุ่งสัน้นเลื่อนลอยไปต่างๆนี่นะอันนี้แหละมันเป็นเหตุให้คนเราทาบาปนั่นนะที่นี่บุญน่ะมันเกิดจากใจที่สงบนิ่งอยู่ นี่มันตรงกันข้ามถ้าผู้ใดทำใจสงบนิ่งอยู่ได้บุญก็เกิดขึ้นได้เลยคือว่ามันมีปัญญานะมันคิดพิจารณาเห็นช่องทางที่จะทำบุญกุศลทำความดีต่างๆได้มากหมายเขาว่าอย่างนั้นนั้นเมื่อใจมันสงบนิ่งอยู่แล้วนะ <c oughs> แล้วก็มันสามารถมองเห็นแจ้งในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้านี่ได้เห็นว่าธาตุสี่หรือขันธ์ห้าเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอ่ะ เมื่อมันเห็นแจ้งนี่ปัญญามันก็สอนจิตให้ปล่อยให้วางไม่ให้สำคัญว่าเป็นสมบัติของตนจริงจังอะไรเลยเป็นแต่ร่างที่เพื่อให้ดวงจิตนี่ได้มาอาศัยสร้างบุญบรารมีเท่านั้นสำหรับบุคคลผู้มีบุญนะกูเชื่อบุญมาแต่ก่อนแล้วเกิดมาชาตินี้มันก็มา สร้างใจสร้างเอาอีกเพราะว่าเท่าที่สร้างมาแล้วนั่นมันมันยังไม่เต็มยังไม่พอก็พยายามสร้างบุญกุศลตั้งแต่อย่างต่ำนู้นแหละจนมาถึงอย่างกลางอย่างสูงให้เจริญงดงามขึ้นในตนแต่นี่เมื่อบุคคลไม่ละนิวรณ์ห้านี่ยให้ระงับไปจากกิจใจก่อนะ มันจะมองไม่เห็นช่องทางที่จะสร้างบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปได้มันเป็นอย่างนั้นเช่นคนบางคนก็เห็นแต่เพียงว่าการให้ทานเท่านั้นแหะว่าได้ทำบุญเมื่อตนได้ให้ทานแล้วก็นึกว่าตนได้ทำบุญแล้วแม่แม่ว่าความชั่วย่างอื่นซึ่งมีอยู่ในใจก็ ก, ก็ไม่คิดที่จะละมันเลยอ ไม่คิดที่จะทำความดีให้สูงขึ้นไปกว่านั้น <c oughs> ทางนี้ก็เพราะอาศัยนิวรทั้งห้าเนี่ยอย่างได้ยึดครอบงำจิตใจไว้อเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะรักษาศีลหรือภาวนาให้ เกิดขึ้นให้มีขึ้นในจิตใจของตนได้ mm hmm. เป็นอางนันเพราะฉะนั้นแหละทุกคนได้พึ่งพากันสำรวจกวดดูตนเองให้มันเห็นแจ้งชัดในใจของตนเองให้ได้ เ, เมื่อหากว่าตนภาวนามาถึงขั้นที่ว่า จิตใจระ ง, งับไปแล้วจากนิวรณหา้านิวรณหา้าระงับไปจากกิจแล้วก็มาเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอ่าดังกล่าวมานั้นเสมอๆไปเพื่อจะได้ละอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตน หมายความว่าเห็นขันห่านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานะถ้าหากว่าไม่เจริญตรัลัทธนญาณคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้บ่อยๆแล้วความเห็นที่ว่าขันห่าเป็นตัวเป็นตนนั้นมันจะเกิดขึ้นมาแทนอเมื่อความสำคัญผิดคิดว่าขันห่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็สามารถ สังสมกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดนี้ให้เจริญงอก ง, งามขึ้นในจิตใจของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้แน่นอนทีเดียว